พร้อมนาะก็อยู่ในมีสติในการฟังนะติดก็จะเป็นสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาในในระหว่างที่ฟังขอพูดก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะถามโยมส่วนปัญหาอาจจะมีในใจอยู่ก็วางไว้ก่อนเผลอๆอาจจะมีคำตอบในระหว่างที่เราพูดแล้วก็ได้พูดถึงข้อติดขัด ที่เราปฏิบัติทำแล้วมันมันถึงจุดตันคือมันไปไม่ได้ปัญญาไม่เดินนะเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราเราไม่เข้าใจมันนะทำให้ติดนะมันไม่เป็นแสงสว่างที่จะเดินทางต่อไปได้อย่างเช่นออสิ่งที่เกิดขึ้นในกายในใจเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะนะสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าอารมณ์เช่นความรู้สึก ความรู้สึกทุกชนิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกสบายความสบายนั่นแหละก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกไม่สบายก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นวิตกกังวลเป็นสารพัดที่เกิดขึ้นในใจล้วนแต่เป็นอารมณ์ทั้งหมดนะแต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เข้าใจเรื่องอารมณ์แต่เข้าไปเป็นอารมณ์เสียเองคือเราเป็นอารมณ์อันนั้นเช่นเวลาสบาย แทนที่จะเข้าใจด้วยปัญญาว่าอันนั้นน่ะมันเป็นอารมณ์แต่กลายเป็นว่าเราเป็นเสียเองเราเป็นผู้สบายนึกออกหมหรือว่าเวลายามไม่สบายความไม่สบายมันก็เป็นอารมณ์แต่ด้วยความไม่เข้าใจก็เข้าไปเป็นความไม่ความไม่สบายเป็นเราเสียเองหรือความสุขก็เหมือนกันเห็นไเราเนียมันเป็นอารมณ์ที่มีอยู่แล้วในชีวิตประจาวันเราจะเข้าไปเป็นอารมณ์ทุกเรื่องเลย มันไม่พ้นจากอารมณ์สักทีนี่นะเห็นจุดแยกนะั้ยคือถ้าถ้าไปเป็นอารมณ์เนี่ยอย่างนี้หลงนะแต่ถ้าพ้นมาจากอารมณ์เห็นอารมณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าหลุดพ้นมันต่างกันเพงนิดเดียวนะถ้าเข้าไปเป็นอารมณ์คือติดอารมณ์แต่ถ้าเห็นอารมณ์มันก็พ้นอารมณ์นะอันนี้เป็นเรื่องของอารมณ์อีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ได้ เพราะว่ายัางไม่เกิดปัญญาก็คือว่าไม่เคยเฉลียวใจเลยว่าถ้าอย่างนั้นใครล่ะเป็นผู้รู้อารมณ์เห็นไหมมันมีผู้รู้อารมณ์อีกแล้วเนาะตอนแรกพูดถึงอารมณ์แต่ตอนนี้พูดถึงผู้รู้อารมณ์เราไม่ค่อยเฉลียวใจกันผู้รู้อารมณ์คือมันไม่ทวนกระแสมันได้แต่ส่งออกไปรู้อารมณ์แต่ไม่ทวนกระแสมาว่าออใครเป็นคนรู้อารมณ์เช่นเวลาไม่สบายใจ ความไม่สบายใจเป็นอารมณ์แต่ไม่เคยฉเฉลียวใจเลยว่าเฮ้ยใครรู้ว่ะใครเป็นผู้รู้ว่าไม่สบายใจเห็นไหมมันจะต้องมีผู้รู้สิถ้าไม่มีผู้รู้จะรู้ได้ยังไงว่ามีความไม่สบายใจพอพอเห็นจุดความแตกต่างแล้วนะอืมต้องรู้จักอารมณ์ต้องรู้จักผู้รู้อารมณ์แต่พอเราพูดอย่างเนี้ยมันก็ง่ายขึ้นแล้วว่าอ๋อ อะไรที่เกิดขึ้นที่รู้ได้รู้ได้เนี่ยแสดงว่าอารมณ์กับผู้รู้เนี่ยมันเกิดพร้อมกันเนาะมันเกิดด้วยกันมันเกิดพร้อมกันแต่เวลาภาคปฏิบัติเราไม่เห็นว่าจริงๆมันมีสองสิ่งสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์สิ่งหนึ่งเป็นผู้รู้อารมณ์อ่ะอย่างสมมุติว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยจะถามว่าอารมณ์แบบไหนเช่นเฉยเฉยใช่ไหมอ่ะสมมุติว่าของโยมเฉยเฉยนะตอนนี้ไม่โกรธไม่อะไรเฉยเฉย ความเฉยเฉยเป็นอะไรเป็นอารมณ์อ้าแล้วใครเป็นคนรู้อารมณ์ไหนลองตอบเราสิเราใช่นี่แหละเราตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้ตัวเราเห็ อ, อไหมพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ตัวเราครูบาอาจารย์สอนให้รู้ตัวเราแต่ภาคปฏิบัติเราไม่เคยรู้ตัวเรามีแต่ตัวเราไปรู้อารมณ์ปรับกันไหมครั มีตัวเราแล้วไปรู้อารมณ์แต่ครูบาอาจารย์ท่านสอนบอกว่าต้องรู้ตัวเราอ่ะทีนี้เพื่อให้เข้าใจชัดยิ่งขึ้นเวลาเป็นทุกเวลามันไม่สบายใจยงเคยมีไหมเวลาไม่สบายใจมีความไม่สบายใจเป็นอะไรเป็นอารมณ์แล้วใครเป็นคนรู้ละ่ะว่าไม่สบายใจเราใช่ไหมเออแล้วเมื่อก่อนเนี้ยเราเคยเห็นเราแบบนี้บ้างไหมเราเคยเห็นแต่อารมณ์ เราเราเคยเป็นแต่ว่าเราไม่สบายใจถูกไแต่เราไม่รู้จักว่าตัวเราเนี่ยคือผู้รู้นี่สาคัญเนาะทีนี้แหละมันจะต่อยอดในทางปัญญาคือทำให้จะได้ไม่หลงแล้วก็ปฏิบัติอย่างได้ถูกต้องอ้าวทีนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องอารมณ์อีกเวลามีความสุขโยมเคยมีไหมความสุขต่อมานะเคยมีเนาะ เออความสุขเป็นอะไรไเป็นอารมณ์ฮะแล้วเวลามีความสุขเมชีเป็นคนรู้หรือใครเป็นคนรู้เรารู้เรารู้กับเราหมายเรานี่แหละจะต้องเป็นผู้รู้อารมณ์ของตัวเองคนอื่นจะรู้อารมณ์เราไม่ได้ยกเว้นการแสดงสีหน้าสีตาเพราะคนอื่นมองโดยตาได้ใช่ไหมแต่อารมณ์ทางใจอ่ะจริงอ่ะคนที่รู้ได้ดีที่สุดคือเราคนอื่นจะรู้อารมณ์ ดีกว่าเราเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องรู้จักตัวเราคือตัวเราคือผู้รู้อพอๆค่อนข้างชัดชัดขึ้นไหะตัวเราคือผู้รู้อทีนี้ยกเรื่องตัวอย่างอารมณ์อีกมากมายเวลาอยากได้อะอยากได้ของเขาอยากได้นั่นอยากได้นี่ออกสมมติว่ามองกับข้าวอยู่เต็มถาดเนี่ยมันอยากใช่ไหมอยากสมมติว่ามีมีลาไยมีลูกเล็กลูกใหญ่ลูกเล็กลูกใหญ่ผสมเนาะพอตาไปเห็นปั๊ก มันจําได้ว่าอันไหนลูกเล็กอันไหนลูกใหญ่แล้วเวลาหยิบเวลามันหยิบลูกเล็กหรือลูกใหญ่ส่วนมากลูกใหญ่นี่แสดงว่ามันอยากลูกใหญ่ใช่ไหมล่ะเห็นไหมทําไมมันไม่เลือกลูกเล็กอ่ะตรงนั้นอ่ะมันคิดเร็วมากเลยมันคํานวณแบบเร็วปีเลยมันคํานวณเลยเฮ้ยลูกใหญ่ดีกว่าลูกเล็กเฮ้ไม่เอาไม่เอาเอาก็ให้คนอื่นนะโอ้ยมันคิดอุตรุดเลยคิดเร็วมากความอยากพวกนี้ยเราเคยเห็นมันบ้างบไหมเคยไหมลึกๆจริงๆอ่ะ เคยรับทราบไดไหมว่ามันมันอยากเอาลูกใหญ่มันไม่อยากเอาลูกเล็กเคยเคยมองออกใช่ไหมเออมันมันมันเป็นอย่างนั้นแหละชีวิตเราออะมันจะเลือกแต่ของที่ที่ถูกใจที่ดีๆแต่บางพีพีเหมือนกันนะมันหักมุมมันบอกเฮ้ยเอาลูกเล็กดีกว่าเดี๋ยวลูกใหญ่ให้คนอื่นก็มีนะบางทีมันก็มีอ่เออเดี๋ยวพักตรงนี้แป๊บหนึง